คนที่ติดเพ่งแค่ติดข้างนอกแก่ไม่ตกมันไปต่อไม่ได้หรอกมันะก็ติดอยู่อย่างนั้นแหละกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นแหละมันไม่เห็นทุกข์ทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจงนั้นใจมันออกไปข้างนอกเลยกายออกไปหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เจ็ดขวบทำสมถะทำความสงบ ก็เล่นนอนเล่นนี่ไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็รู้ว่าส่งจิตไปข้างนอกนะไม่ใช่ทางมันรู้เองนะตอนเด็กๆ ม, มันกลัวผีด้วยรู้สึกออกไปข้างนอกนะไปเห็นเทวดามันก็อยู่กับเขาไม่ได้เห็นเขามีดอกไม้สวยงามเนะลยอยู่ไปเด็ดดอกไม้เขาก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วก็นึกนะถ้าไปเจอผีเขาจะทําไงเจอเทวดาไม่กลัวกลัวผีนะ เลยรู้สึกว่าออกไปเล่นข้างนอกก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราเสี่ยงด้วยเลยภาวนาไม่ให้ใจเคลิ้มขาดสติไปเนี่ยเป็นคุณของการกลัวผีกลัวขาดสติแล้วจิตออกไปข้างนอกไปเห็นผีเง้นเวลาหายใจใจสงบก็รู้ตัวอยู่นบ่งทีร่างกายหายไปก็ยังรู้ตัวอยู่ ไม่ให้ขาดสติเลยเพราะถ้าขาดสตินะจิมจะเคลื่อนออกไปนี่พอจิตใจมันอยู่กับตัวเองแล้วเจอครูบาอาจารย์สอนให้เดินปัญญาแล้วมันเดินต่อได้เลยไม่เสียเวลาน่ถ้าใจเราอยู่ข้างนอกเดินปัญญาไม่ได้ไปกลับลงปูเดินครั้งแรกนะวันที่หกุมภา2 5พัน้าย้าบางคนยังไม่เกิด บางคนเกิดมานานมากแล้วด้วยเอาแน่ไม่ได้ให้กราบท่านท่านก็สอนบอกว่าการปฏิบัติเนะไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วแต่เปน็นที่อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองได้ก็จะเห็นอริยสัจของจิตนั่นแหละถามเข้าใจไหมตอนนั้นปลืม้มเพราะว่าหลวงปู่คุยด้วยนะ้วใกราบท่านทีแรกเป็นบอกหลวงปู่ครับผมอยาก ภาวนาอยากปฏิบัติหลวงปู่กับนั่งหลับตางเงียบไปเลยเราก็นึกนะหลวงปู่อยู่มากไม่คุ้นกับท่านไม่เคยเห็นท่านเนี่ยหลวงปู่อายุตั้งเก้าสิบกว่าจะร้อยแล้วฉันข้าเสร็จแล้วคงหมดแรงหลับไปแล้วละ่ะนะท่านนั่งเก้็โยกนะนั่งหลับพอหลับนานเราก็กระซับกระใสหลวงปู่หลับไปแล้วเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นมาสอนเราถ้าท่านดืมตามาท่านสอน การปฏิบัตินันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมรื่มหนะังเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเราไปทําเอาก็กราบลาท่านขคือรถไฟกล่าวว่าเดี๋ยวจะมาแวะโคราชซะหน่อยอเคได้ยินชื่อหลวงพ่อพุธจะไปแวะกราบหลวงพ่อพุธเนี่ยกราบหลวงปูดุลครั้งแรกนะเราก็ไปกราบหลวงพ่อพุธครั้งแรกเหมือนกันรถไฟมันออกจากสุรินทร์ เราเราสิบโมงเช้าตอนนั้นนั่งลุ้นนะว่าหลวงปู่จะลืมตาหรือเปล่าเพราะว่าซื้อตั๋วรถไฟไปแล้วตอ <c oughs> น, นออกสิบโมงรถไฟมันเคลื่อนนะใจหายเลยหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะบอกว่าดูเป็นนะ้เข้าใจครับเข้าใจครับอยู่ตรงไหนจิตอยู่ที่ไหนอะจิตเป็นไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวเลยรู้แต่ว่าท่านให้ดูจิต ตกใจขึ้นมาไม่รู้จะทำไงนะก็หายใจเอาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนะทำอะไรไม่ได้กลับมาทำสมถะจิตมันคุ้นเคยก า, การปฏิบัติมันเดินถูกร่องของมันถ้าเมื่อไรเราดูกายดูใจไม่ได้นะทำสมถะไว้ทำอะไรไม่ได้เลยทำสมถะไว้ตอนนั้นหลวงพ่อก็ทำอะไรไม่เป็นนะตกใจขึ้นมาแล้วดูจิตดูจิตจะดูยังไง ทำไม่เป็นทําสมัทหะก่อนมันตกใจหายใจไปหายใจไปพอใจสบายใจสงบแนละ้วก็มาพิจารณาอันนี้คิดเอาแหละเพราะท่านให้ดูจิตจิตจะอยู่ที่ไหนจิตต้องไม่อยู่ข้างนอกอะ่ะจิตไม่อยู่ที่ท้องนาไม่อยู่ที่ต้นไม้ไม่อยู่บนรถไฟจิตต้องอยู่ในตัวเรานึกในใจว่าต่อไปนี้นะเราจะเรียนรู้อยู่ในกายเราเนี้ยไม่ให้เกินร่างกายออกไป นี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะอย่างการปฏิบัติอันแรกเลยที่หลวงพ่อผ่านมาก็คือทำอะไรไม่ได้ทำสมถาไว้ก่อนนะอย่าโตกตกใจให้จิตใจมันอยู่กันเนื้อกับ ต, ตัวก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเนี่ยอย่ากเกินกายออกไปสนใจอยู่ในกายในใจของเรานี่ในท่านในขันของเรานี่เพราะจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้แหละ เสร็จแล้วหลวงพ่อก็มาหาต่อจิตอยู่ที่ไหนในร่างกายรู้แล้วว่าอยู่ในร่างกายมีที่ผมหรือเปล่าเดูที่ผมตอนนั้นผมยาวเป็นครวาหลงเดียวไม่เห็นมีจิตเลยเจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่คนหรือเปล่าคนคิ้วมีคิ้วตะกอนดูเห็นมีจิตตรงไหนเลย ไล่แต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนะไล่ขึ้นไล่ลงนะจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายจิตไม่ใช่ร่างกายแน่เลยดูสิอินโนเซน์ถึงขนาดนั้นนะกว่าจะรู้ว่าจิตไม่ใช่ร่างกายเนี่ยเที่ยวหามันอยู่หาหาอยู่ในร่างกายไม่ใช่จิตหรอเปล่าผมขนเล็บฟันนังเนื้อยอ็นะดูกแต่ละส่วนแต่ละส่ว น, วนไม่ใช่จิตหรือเหรือจิตคือความรู้สึกสุขทุกข์นี่หาต่อไปอีก ไม่รู้หรอกนะว่ากระบวนการที่หลวงพ่อเที่ยวหาเนี่ยมันคือการแยกธาตุแยกขันธ์อย่างร่างกายนะหลวงพ่อแยกออกเป็นส่วนๆได้เลยนะแยกเป็นส่วนๆเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เลยมาทางจิตใจก็เริ่มแยกแนละ้วจิตคือความสุขความทุกข์หรือเปล่ า, านั่งสมาธินะมีความสุขมีความสุขแล้วดูลงไปในความสุขพวความสุขดับไปดูเบกขาไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาเลย หรืออยู่ที่ความทุกข์นี่ถอยออกจากสมาธินั่งไม่กระดุกกระดิกนั่งให้มันเมื่อยเมื่อยมากเลยเมื่อยเมื่อยเต็มที่เลยปวดเมื่อยมากไม่กระยอมกระดุกกระดิกนดูลงไปในความปวดความเมื่อยไม่ใช่จิตไม่เห็นมีจิตอยู่ในความปวดความเมื่อยเลยความสบายความสุขนั่งหรือความทุกข์นัก็ไม่ใช่จิตหรอกไม่มีจิตอยู่ในตัวมันหรือว่าจิตคือความคิดเนีเที่ยวหาต่อไปเรื่อยๆนะ หรือว่าจิตคือความคิดจงใจคิดเลยนะคิดอะไรคิดบทสวดมนตนะ์พุทธโธสูตสุตโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพ่วงมหันนบพอใจคิดพุทธโธสูสุตโธกรุณามหันนโวมันเห็นกระแสะของความคิดไหลขึ้นมาคําว่าพุทธโธสูตสนะุตโธมันไหลขึ้นมาผุดขึ้นมาจากความบ้างบ้งนะแล้วก็ ออกเสียงได้ในใจนะพุทโธสุสุสโธแล้วมันสลายตัวไปในความว่างเพราะจิตมันคิดคิดอะไรคิดพุทโธสุสุสโธกรุณาหนะรู้ทันว่าจิตคิดเท่านั้นเองตัวรู้ก็เกิดพับขึ้นมาเลยโอ้ยจิตอยู่นี่เองจิตก็ไม่ใช่ตัวความคิดนะจิตอยู่ตรงที่เรารู้ทันว่ามันคิดเองต่หลังได้หลักกว้างขึ้นนะว่าถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตรู้มันจะเกิดขึ้น อย่างตอนนั้นรู้ว่าจิตคิดจงใจคิดเลยพอจิตมันคิดปุ๊บรู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดเลยโอ้จิตอยู่นี่เองจิตอยู่นี่เองมันนึกดูอีกทีเอ๊ะที่เรานั่งสมาธิมาแต่เด็กมันก็ไอ้จิตดวงนี้แหละใจมันตั้งมั่นเด่นดวงทรงอยู่อย่างนี้มันก็ไอ้ตัวเติมนี่เองแต่ก่อนเราไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าอะไรมีก็มีไปอย่างนั้นเอง เดี๋ยวก็เสื่อมไฟก็ฟุ้งใหม่แล้วก็กลับมามีใหม่ไม่รู้จักว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรโอ้หลวงปู่ให้ดูจิตไอ้ตัวนี้แหละจิตจะต้องคอยรักษามันไว้นี่คิดจะรักษามันนะพรากฏว่ามันไหลได้ไหลไปยึดอารมณ์เดี๋ยวก็ไปจับอารมณ์ที่ดีจับอารมณ์ที่เลวจับอารมณ์ที่สุขจับอารมณ์ที่ทุกเดี๋ยวไหลไปทางตาหูจมูกเลี้ยงแกใจเวลามันเข้าไปจับอารมณ์พวกเราภานาเห็นจิตเข้าไปจับอารมณ์ไหม จับแล้วบางทีไม่ยอมปล่อยนาะดิ้นขูขักขกขักนะมันไม่ปล่อยไหมมันเป็นผู้รู้แป๊บเดียวนะพอเราไปดูผู้รู้ในเดียวนะไม่ได้เพ่งไว้เข้าไปจับอารมณ์จับแล้วไม่ปล่อย ห, หลวงปู่ให้ดูจิตเราต้องรักษาจิตให้ไม่ไม่มีอารมณ์่จดอย่างนี้นะเนี่ยเข้าใจผิดแล้วนะอย่าห้ามเมาอย่างนะอย่าที่ผิดเนี่ยทำมาเยอะเลยจะพยายามรักษาจิตให้นิ่งๆิว่างว่า ง, างไ เรียกว่าดูจิตท anyway> ี่ไปดูจิตที่น nice mm ิ่งๆว่างๆแล้วเข้าใจผิดร้ายแรงเลยนะนั่นไม่ใช่การดูจิตเพื่อให้เกิดปัญญาอันนั้นเป็นสมถกรรมฐานแบบหนึ่งงั้นไปรักษาจิตจิตไปจับอารมณ์นะบางทีเพ่งใส่เลยนะเพ่งใส่มันเป็นก้อนแน่นๆขึ้นกลางอกจิตเพไปเกาะอยู่ไม่หลุดขึ้นมาเพ่งมันระเบิดเปรี้ยงเลยจิตหลุดขึ้นมาโอ้สบายสบายแวบเดียวนะเไปจับอีกแล้วอันนี้เพ่งก็ไม่แตก ทำอย่างโน้นทำอย่างนี้นะเฉือนมันกํานังจิตเฉือนเฉือนเฉือนไอ้ก้อนนี้ก็เล็กลงเล็กลงสลายไปวันหลังเฉือนอีกก็ไม่เข้าอีกแล้วเตงดึงดึงดึงนะแล้วทําอะไรต่ออะไรนะแก้วุ่นวายอยู่นั้นแก้ไปเรื่อยเวลาจิตให้จับอารมณ์เอนนี้นสวดจิตเขส่งตัวเด่นดวงอยู่นี่แหละว่าดีแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ผเบิกบานทั้งวันถ้าอยู่ตรงนี้นานๆไปคงจะบรรลุมากผละ ฝึกอยู่สามเดือนที่จะไม่ให้จิตเข้าไปตะลุมบอลกับอารมณ์นะจิตได้เป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วรีไปรายงานหลวงปู่ดูลสามเดือนหลวงปู่ครับผมดูจิตเป็นล้เป็นยังไงโอ้ยจิตมันวิจิตพิสดานมันทำโน้นทํานี้ได้เยอะนะแต่ผมชนะมันละรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างสว่างสวัยอยู่เป็นหลวงปู่บอกว่านั่นยังไม่ได้ดูจิตเลย นั่นเป็นการแทรกแซงอาการของจิตจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะจิตมันทําหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งย่าไปทําจิตหน้าให้มันเหลือแต่หน้าที่รู้อย่างเดียวนะนั่นเป็นการแทรกแซงจิตไปดูใหม่นะแหมนึกว่าจะชมนะามาไปทำมาสามเดือนไม่ขาดสักวันนึกว่าหลวงปู่จะชมก็อบอกว่าทําผิดแล้วละ่ะไปแทรกแซงจิตให้ว่างๆอยู่อางนะั้นไปทําใหม่ไปทําใหม่ ไม่บอกว่าให้ทํำยังไงด้วยนะหลภาพ่อก็มากลับมาแล้วดูใหม่ท่านไม่ให้แทรกแซงถ้าอานั้นต่อไปนี้จิตเป็นไงเราจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นงนั้นจิตเข้าไปจับอารมณ์รู้ว่าจิตจับอารมณ์จิตวางอารมณ์รู้ว่าจิตวางอารมณ์จิตสุขรู้ว่าสุขจิตทุกรู้ว่าทุกจิตโลบรู้ว่าโลบจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตหลงรู้ว่าหลงจิตดีก็รู้ว่าดีจิตเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้น จิตวิ่งไปดูอรูปทางตาก็รู้จิตวิ่งไปฟังเสียงทางหูก็รู้จิตวิ่งไปดมกลิ่นทางจมูกเขรู้จิตวิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายก็รู้จิตวิ่งไปคิดเนื้อปรุงแต่งก็รู้รูท้ทันไปเรื่อยๆดูเขาทํางานไปแล้วเห็นกระบวนการทํางานของจิตจิตทํางานสารพัดเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเช่นสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายความสุขความทุกข์ความดีความชั่ว จิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีจิตที่ชั่วเกิดแล้วดับความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดแล้วดับนะจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีจิตที่ชั่วก็เกิดดับเหมือนกันทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้เกิดดับด้วยกันทั้งคู่เลยเพราะ้นหลักของการดูจิตจริงๆเพื่อจะให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่ไปรักษาจิตให้ว่างๆงสว่างสบายอยู่ตลอดวันราะฉะนั้นคือการแทรกแซงจิตไม่ใช่การรู้จิตอย่างที่จิตเป็น ทำลายคุณสมบัติของจิตให้จิตมันมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปทํามันจนกระทั่งเหลือแต่รู้เฉยๆให้นั่นเป็นสมถะต้องระมัดระวังนะหลวงปู่ดุลสอนให้ดูจิตเนี่ยสอนให้ดูให้เห็นมันเกิดดับเพราะหลวงปู่มั่นเป็นคนสอนหลวงปู่ดุลมาอีกทิ้งหลวงปู่ดูลบวชแล้วอยู่เป็นพระมหานิกายอยู่หลายปีแนละ้วไม่ได้ภาวนาภาวนาก็แบบ ไม่ถูกหลักต่อมาได้ยินชื่อเสียงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ดนก็ตามไปที่อุบลไปเรียนท่านมีเพื่อนคู่หูท่านคือหลวงปู่สิงห์อาจารย์สิงห์อาจารย์สิงห์อุโสวาท่านตอนนั้นหลวงปู่เทศยังเป็นเนนนะัท่านรู้จักกันนะแต่ตอนนั้นหลวงปู่เทศยังแค่เป็นเนนนึงหลวงปู่มั่นก็สอนหลวงปู่ ด, ดูลทีแรกก็สอนพุทโธนี่แหละสอนพุทธโท ปราลวงพู่ดภาวนาไปช่วงหนึ่งนะแล้วมาเรียนต่อหลวงปู่มั่นกับสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตสอนให้ดูจิตยังไงสอนบอกว่าสเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาสอนอยากบอกท่านไปดูตรงนี้ สังเกตไหมไม่มีทุกขาสเปสังคาราสัพพสัญญาอนิจจานะแล้วก็ไปต่อเข้าอนัตตาเลยไม่มีไม่ได้สอนให้ดูตัวทุกขาทำไมอย่างนั้น่ะเพราะดูจิตเนี่ยตัวที่เด่นในการดูจิตคืออนิจจังกับอนัตตามันคล้ายๆบทธรรมวัดเช้ามีอยู่บทหนึ่งนึกออกไหรูปังอนิจจังเวทนานิจจา สัญญาณิจารสังขารานิจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาโดดขึ้นอนัตตาเลยจานิจจังการดูจิตดูใจเนี่ยจะดูตัวทุกข์ยากเพราะจิตเนี่ยเกิดดับเร็วไม่ทันจะทุกข์ให้ดูหรอกเกิดดับปั๊บปั๊ไปนะแต่ดูอนิจจังง่ายเพราะอะไรเกิดดับเร็วแล้วก็เกิดดับได้เองสั่งไม่ได้งันหลวงปู่ดูลก็มาดูจิตจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเพราะอะไรเพราะสังขารนะสังขารมันเข้าไปปรุงสังขารมันก็ทำงานร่วมกับสัญญานะความปรุงแต่งมันเกิดขึ้นท่านก็เห็นความปรุงแต่งของจิตเพราะั้นการดูจิตให้เกิดปัญญานะจริงๆแล้วไม่ใช่การดูจิตแต่เป็นการดูการทำงานของจิตซึ่งมันจะทำงานได้นะจะปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ไดนะ้มันปรุงร่วมกับดีชั่วสุขทุกข์ แต่ที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปูด่ดุลีมีแต่ดีชั่วนะไม่ได้ก้าวลงมาที่สุขทุกด้วยการดูจิตดูใจนี่จะขยายมาดูจิตที่สุขจิตที่ทุกด้วยก็ได้นะแต่ว่าหลวงปู่มั่นดูแล้วหลวงปู่ดุลดูแค่จิตดีจิตชั่วแค่นี้ก็ผ่านแล้วหลวงปู่ดุลดูอยู่ใช้เวลาไม่นานเลยนะประมาณสมเดือน4เดือนนี้เข้าใจอริยาสัจแห่งจิตรู้ว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ผลที่จิตส่งออกนอกคือตัวทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอริยมะรคนะผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนะธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกพวกเราเวลาได้ยินคำสอนหลวงปู่ดูเนยจะได้ยินบทเดียวนะทั้งที่มีหลายบทนะมีอยู่สามท่อนนะ เราได้ยินกันท่านเดียวว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมูทไทยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนี่บทที่สองนะเมื่อจิตส่งออกนอกแล้วนะก็เพิ่มวันไหวไม่มีสติก็เพิ่มวันไหวไปเป็นตัวสมูทไทยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มวันไหวขาดสติอยู่นะเป็นตัวทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่นะ ใปนการเจริญมรรคนะไม่ใช่ว่าห้ามส่งออกนอกนะแต่ว่าอยู่ที่มีสติอยู่แล้วก็ผลของมันคือนิโรธนะนท่านตบท้ายด้วยบทที่สามบทที่สามท่านบอกว่าพระอดิยะเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพิ่มมวันไหวมีสติบริบูรณนะ์เป็นวิหารธรรมอยู่ คำว่าพระยเจ้าของท่านคือพระอรหันต์คือพระอรหันต์งั้นอย่างโสดาสกตาขาพระนาคาเนี่ยจิตยังออกนอกไหลไปไหลมาได้นะถ้าเป็นโสดาเนี่ยไหลอุตรุษเลยเหมือนปุถุชนเลยไหลวับวับส่วนใหญ่ไม่ได้ไหลวับวับด้วยไหลนานถ้าไหลวับวัเนี่ยระดับสกตาขาพระนาคาเนี่ยจิตไม่ค่อยไหลละเพราะอะไร เพราะพนาคานี่ไม่ติดในกามเพราะฉะนั้นจิตไม่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพระจิตมีความสุขอยู่ในตัวเองไม่ค่อยไหลถ้าไหลก็ไหลอยู่ภายในจิตไหลไปพิจารณาธรรมะเพราะนั้นความฟุ้งของพระนาคานะฟุ้งในธรรมะไม่ใช่ฟุ้งในกามงั้นพวกเราจะมีนิวรณ์คือฟุ้งในกามกามฉันทะนิวรณ์อย่างตัวความฟุ้งสร้างของพระนาคาเนี่จะฟุ้งในธรรม อุทัศจะสั่งยอดเนี่ยฟุ้งในธรรมไม่ให้ฟุ้งในกามนะยังไม่เหมือนกันฟุ้งเหมือนกันนะแต่ฟุ้งคนละเรื่องกันแต่โดยธรรมชาตินะใจพระนาคามจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษาแต่ไม่ใช่ไปตั้งอย่างพวกเราพวกเราไปตั้งอยู่ข้างนอกไอ้นั่นปุถุชนนะปุถุชนถ้าเราดูจิตเป็นนะเราเห็นใครนั่งสมาธินะดูบุ๊บเราก็รู้แล้ว ถ้าเราดูเป็นนะอย่างครูบาอาจารย์บางองค์เอ่ยชื่อไม่ได้เดี๋ยวตายนะบางบางคนก็อย่าพูดว่าครูบาอาจารย์บางคนนะคิดถึงการ น, นั่งสมาธิพอนั่งสมาธินะ่ะส่งจิตวื้บไปเลยไปถึงพรหมโลกเลยอันนี้จิตยังเคลื่อนอยู่นะจิตยังไปจิตยังมีการไปจิตยังมีการมาจิตที่ยังมีการไปจิตที่ยังมีการมายังไม่จบหรอกนะ เนี่ยดูไม่ยากหรอกนะดูไม่ยากหรอกถ้าจิตยังมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมายังยังยังเกิดอีกยังต้องเกิดอีกเราะฉะนั้นจิตที่เข้าถึงภาวะแห่งการเป็นธรรมธาตุเป็นวิญญาณธาตุแท้ๆเนี่ยไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับจิมอยู่ที่ไหนจิตไม่มีที่ตั้ง เราถามคอไก่นะท่านตอบพอนุคู่เรายิ่งงงหนักกว่าเก่ า, าจิตไม่มีที่ตั้งเรอก็เราเห็นมันก็อยู่ในตัวเรานี้นะเดี๋ยวก็ตั้งตรงนั้นตั้งตรงนี้นะเราถามคอไก่ท่านตอบพอนุคนะู่เลยจิตไม่ได้เกาะเกี่ยวกับอะไรไม่ได้ตั้งอยู่กับอะไรไม่มีขอบเขตเพราะนการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ไปดูจิตอยู่เฉยๆการเจริญปัญญาดูจิตเนี่ย มีตาก็ดูรูปมีหูก็ได้ยินเสียงมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็ได้รสมีกายก็รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมีใจก็รู้การทำงานของจิตใจเช่นใจไปคิดเป็นผู้คิดผู้นึกใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นใจเป็นผู้เพ่งอารมณ์ทำงานทางใจทำได้หลายอย่างเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งก็ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ได้เป็นผู้เพ่งอารมณ์นิ่งๆอยู่เฉยๆก็ได้ เราคอยรู้อย่างที่มันเป็นให้มันกระทบอารมณ์ไปใจจะคิดก็อย่าไปห้ามนะใจจะดูใจจะไปฟังจะได้กลิ่นจะได้รสไม่ห้ามสักอย่างแต่เมื่อดูรูปแล้วจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลนะเกิดยินดีเกิดยินร้ายรู้ทันรู้ทันจิตเวลาตามองเห็นจิตเกิดปฏิกิริย า, าขึ้นมาจากการเห็นปฏิกิริยาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะ เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นความยินดีบ้างเป็นความยินร้ายบ้างให้รู้ปฏิกิริยาของจิตอย่างนี้แหละเรียกว่าการดูจิตนะไม่ใช่รักษาจิตว่างๆเมื่อหูได้ยินเสียงก็จะเกิดจิตใจก็จะเกิดสุขบ้างทุกบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างอย่างได้ยินเสียงระฆังเนี้ยฟังแล้วเพาะสบายใจจิตเกิดความสุขก็รู้จิตยินดีในความสุขก็รู้นอย่างนี้ ถ้ามีความสุขเราเพลอเพลินเพลิดเลินไปเนี่ยจิตมีราคะก็รู้เนี่ ย, ยหนะให้รู้อย่างนี้ที่เรียกว่าดูจิตจะดูจิตเอย่าไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติเมื่อกระทบอารมณ์แล้วจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดยินดีเกิดยินร้ให้รูนะจ้จมูกได้กลิ่นจมูกได้กลิ่นเช่นได้กลิ่นน้ำอบ ไปงานศพชฉินชินใช่ไหมทุกวันนี้ได้กลิ่นน้ำอบต้องคิดถึงคนตายถ้าคนสมัยก่อนนะได้กลิ่นน้ำอบนั่งสมาธิได้กลิ่นน้ำอ บ, นนำอบต้องคิดถึงเทวดาคนรุ่นนี้ถ้าได้กลิ่นน้ำอบแล้วผีมาแล้วเทวดาเลยต้องเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมใหม่นะกลัวคนตกใจเวลาจะมาเยี่ยมต้องเปลี่ยนกลิ่นเป็นกลิ่นดอกไม้อย่างโน้นกลิ่นดอกไม้อย่างนีน้นะเปลี่ยนไรอย่างเราสมมติเอากลิ่นเน่าๆก็ได้ เวลาอยู่ที่บ้านเราได้กลิ่นเน่าๆในบ้านไม่ค่อยกลัวใช่ไหมแต่กังวลใจกังวลว่าตัวอะไรมันมาตายในบ้านเราวะหนูมาตายหรือว่าตุ๊กแกรหรือจิ้งจกนะใจกังวลให้รู้ว่ากังวลไหมไม่ใช่ว่าต้องไม่มีกลิ่นนะมีกลิ่นได้กลิ่นแต่ใจกังวลรู้ว่ากังวลมาอยู่วัดเนี่ยมาครั้งในที่เปลี่ยวๆนะได้กลิ่นเน่าเนี่ยไม่กังวล น, นะแต่กลัวผี กลัว ร, hog, started, ua, ร like says, that, huh? ั kitchen, er ่วกลัวใจกลัวรั่วกลัวเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าดูจิตนะดูแล้วเห็นอะไรดูแล้วเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นความสุขที่เกิดขึ้นนะจะมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เรียกว่าผัสสะมีผัสสะเกิดความสุขขึ้นความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์เกิดความทุกข์ความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปมีผัสสะแล้วจิตเป็นกุศลขึ้นมา กุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปนะมีผัสสะแล้วจิตเป็นอกุศลเช่นกลัวกนะลัวขึ้นมาหรือตามองเห็นสาวจิตมีราคะ ข, ขึ้นมาอานี้มีผัสสะแล้วจิตเป็นอกุศลก็รู้นะเห็นว่าอากุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะเห็นพระเดินมาจิตใจปลื้มนะเป็นกุศลขึ้นมานะความปรับปลื้มใจเป็นกุศลนั้นะอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเพราะฉะั้นที่เราดูจิตดูใจเนี่ยไม่ใช่ดูเพื่อรักษาจิต แต่จะดูว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นนะถ้าไม่ได้ดูมาตื่นตัวนี้อย่ามาคุยอวดเลยว่าเดินปัญญาทนะําไม่เป็นหรอกดงนั้นการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเนี่ยมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดนึกได้แต่เมื่อมันสัมผัสอารมณ์มีผัสสะแล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้เกิดยินดีก็รู้เกิดยินร้ายก็รู้นะ ก็รู้แล้วเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าสุขทุกข์กุศลอกุศลอยินดียินร้ายเกิดระดับทั้งสิน้นแล้วก็จะเห็นว่าจิตนี้ก็แปรปรวนตลอดเวลาบางทีก็เป็นผู้รู้บางทีก็เป็นผู้คิดบางทีก็เป็นผู้เพ่งบางทีก็วิ่งไปดูบางทีก็วิ่งไปฟังบางทีก็วิ่งไปดมกลิน่นบางทีวิ่งไปลิ้มรสบางทีวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายบางทีวิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งความปรุงแต่งทางใจของจิตก็ทําได้หลายแบบหลงไปคิดก็ได้ จนะทํากรรมฐานก็ลงไปเพ่งลงไปจ้องอารมณ์กรรมฐานก็ได้นี่ท <benefiting S 1> ําได้หลายแบบเผลอไปคิดก็ได้เผลอไปเพ่งก็ได้รู้ตัวอยู่อย่างถูกต้องก็ได้นั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าจิตที่หลงก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไปเพ่งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับทั้งหมดเลย การที่เราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญาถ้าไม่ได้เห็นการเกิดดับไม่เรียกเจริญปัญญานะแล้วการเห็นการเกิดดับนั้นต้องเห็นได้รอบด้านต้องรู้รอบไม่ใช่เห็นแต่อารมณ์เกิดดับแต่จิตเที่ยงงั้นพวกที่จิตไปอยู่ข้างหน้านี่นะจิตจะเที่ยงแต่เห็นอารมณ์เกิดดับได้เห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดดับได้แต่จิตเนี่ยคงที่อยู่อันนี้เป็นการสงวนรักษาสิ่งบางสิ่งให้คงที่อยู่ เวลาที่จะบรรลุพระโสดาบันนั้นจะเห็นขันทั้งห้าเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านถามปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าข่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นตัวเราของเราหรือเปล่าไม่ควรพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยง เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นตัวเราหรือไม่เป็นตัวเราพิสูจทั้งหลายสัญญาความจําได้หมายรู้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นตัวเราหรือไม่ใช่เราพิสูจทั้งหลายสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นตัวเราหรือไม่ใช่ตัวเราพิสูจทั้งหลายวิญญาณคือจิตหรือความรับรู้หรือใจมีหลายชื่อนะเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นเราหรือไม่ไม่ควรพระเจ้าค่ะถ้าไล่ขันห้าจนหมดนะพระปัจจวัคคีมีปัญญาแทงตลอดในขันห้าทั้งหมดเลยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันเกิดญาณทัศน์ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดา ย้นแต่ถ้าพวกเราเห็นว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาคือสุขทุกข์ไม่เที่ยงสัญญาคือความจําได้หมายรู้ไม่เที่ยงสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วไม่เที่ยงแต่จิตเที่ยงจิตเที่ยงก็คือวิญญาณเที่ยงมันยังสงวนความเที่ยงเอาไว้ส่วนหนึ่งไม่มีทางเป็นโสดาบันยังสําคัญผิดอยู่แล้วยิ่งฝึกนานไปยิ่งพอกพูนความเห็นผิดยิ่งพอกพูนความรู้สึกว่ากูเก่งกูเหนือคนอื่นนะ เพราะฉะน้นปรับซะจริงๆหลวงพ่อไม่ค่อยอยากสอนหรอกคนที่เรียนมาจากที่อื่นนะสอนแล้วถ้าไม่เข้าใจว่าเราปรารถนาดีก็จะกระทบกระทั่งกันเปล่าๆไม่อยากสอนสอนคนใหม่ๆง่า ย, ายกว่าเยอะเลยสอนคนที่ไปเรียนจากที่โน่นที่นี่ต้องนั่งแก้ที่ดูจิตดูจิตกันมาเนี่ยนะจิตไปอยู่ข้างนอกว่างๆแล้วก็นิ่งๆอย่างนั้นสบายๆอยู่แค่นั้ น, นแก้ให้ก็ลําบากนะถ้าไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นโกรธกันขึ้นมา เรียนก็เรียนให้มันเข้าใจไปถ้ารู้หลักที่หลวงพ่อสอนแล้วไปทำนะเหลือเฟือที่จะพน้นทะุกไปเรียนให้ดีเถ อ, อะไปกินข้าวไป